วัจะนะสิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องการมากอยากจะได้มากที่สุดเลยก็คือความสงบนักปฏิบัติธรรมผู้ที่ทาภาวนา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 มีความสงบซ่อนอยู่เสมอสมอนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้เราจะริ่สติก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้เรารู้สึกให้จิตใจมันตื่นรู้รู้เหมือนเมื่อ ร, รู้แล้วเนี่ยความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นรู้อะไรรู้กายรู้จิตตามที่เขาแสดงออกมาคือรู้ตามเป็นจริงของกายของจิตนะั่นแหละแค่ตามรู้เฉย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 สงบชั่วคราวเด็กก็กลับมาฟุงซานี่ที่เขาเรียกกันว่าหินทับหญ้าคือหญ้าที่เราปลูกไว้ถ้าเราเอาหินไปทับเอาไว้หญ้า ก, ก็ไม่เจริญงอกงามแต่หญ้าไม่ตายนะหญ้ยายังอยู่แต่วันออกจะเหลืองๆสักหน่อยแต่ถ้ายกหินออกเมื่ อ, อไหร่แล้วก็หญ้า ก, ก็จะเขี้ยวเจริญเติบโตเหมือนเดิมจิตใจเรายก็เช่นเดียวกันจิตอาจจะสงบ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 มันร้อนมันหิวมันปวดหนักปวดเบาเราก็รู้เฉยๆแต่ว่าเรื่องของกายเนี่ยเราต้องรู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องกายเป็นทุกข์เราช้องช่วยแก้ไขแก้ไขให้เป็นปกติมันหิวก็ไปดื่มน้ำไปทานข้าวมันปวดมันเมื่อยก็มีสติเปยนเอียบทนะง่ายๆรู้แล้วไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องโดยสติบางทีมันเกิดความคิดขึ้นมา